การเล็บเรมอ้างอิงว่าวันนี้เทศเรื่องนี้เรื่องนี้นะเราตั้งเสร็จแล้วเนื้อข้างในจะเป็นอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบางทีตั้งเอาไว้ดีเลยนะครับเมื่อข้างในเป็นเรื่องอื่น <c oughs> อย่างท่องน้ำหมูเสร็จแล้วก็บาลีหน่อยเช่นมโนภ พ, พังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนโมยาอะไรนะี้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 ทำความสะอาดมันมันถึงจะบริสุทธิ์นะงั้นอย่าเข้าใจผิดนะบางคนตีความธรรมะผิดอย่างร้ายแรงเลยว่าจิตนี้ประพัฒสอนแล้วเพราะงั้นไม่ต้องทําอะไรล้ดีอยู่แล้วะจิตนี้เร็วนะแต่สว่างะจิตนี้เร็วแต่สว่างมันหมองมันมัวมัวมองมองตอนที่กิเลสอยากมันจรมาหรอกส่วนจิตเองนั้น่ะอวิชาครองหัวใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอวิชาครองโลกอยู่แล้วนะ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 มีกิ๊กมีกิ๊กนะสมัยหลวงพ่อไม่มีกิ๊กก็ไม่มีศั์คำนี้ก็มีอนุสมัยนูน้นนะเรียก อ, อนุนะเ <c oughs> นีเนะ่นี่เรียกกิ๊กเนี่ยเวลารราคาเกิดนะก็ผิดสีขด่ข้อสามได้ข้อสองก็ผิดได้นะรักทรัพย์ได้โนะอหกหล่อกลวงก็ได้เห็นไหมข้อสีข้อสี่โอหกหลอหลวงข้อสอรงอรักทรัพนี้เวลาราคาเกิดโลค่าเกิดก็ทำได้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 นี่มันหยาบมากมันก็ไปราน ค, คนอื่นอิเลชชั้นกลางชื่อว่านิวรณ์เราจะสู้ด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่สู้ด้วยความสงบแต่สู้ด้วยความตั้งมัน่นสมาธิแต่ว่าความตั้งมัน่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะอย่าเลยแปลผิดนะถ้าแปลผิดก็ภาวนาผิดอีกสมาธิคือความตั้งมัน่นองค์ธรรมของสมาธิคือความตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละนะ